ก็กราบบูชาพระรัตนตรัย <c oughs> กราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งจต่หลวงประเทียนหลวงพ่อคำเขียนถวายความครบมายังพระจารย์สุรินทร์ปันเตอาัจจาระและขอโอกาสเพื่อนสารมิกเจริญพรมายังแม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกท่าน <c oughs> อาวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่ส5บห้า ธันวาคมนะพุทธศักราช2558นะก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งนะที่เราได้มาร่วมกันไหว้พระสวดมนต์นะแล้วก็สาธยายมนต์พระสูตรนะซึ่งก็ได้วันนี้ได้สาธยายสูตรเรื่องมาสติปัฏฐานสูตรจริงๆสูตรเนี้ยยาวกว่านี้นะถ้าจะเอากันแบบสมบูรณ์แบบนี้ก็ต้องเป็นชั่วโมง นะแต่ว่าที่ทางวัดป่าสุกโตคัดมาเฉพาะส่วนที่เราเอามาปฏิบัติจริงๆนะโดยเฉพาะในหมวดกายนะในสติปานสติมาป ร, ประฐานสูตรเนี่ยมันจะมีหมวด4หมวดด้วยกันนะมีกายเวทนาจิตธรรมนะทีนี้เราหมวดกายมาหมวดเดียวทีนี้ <c oughs> เรื่องราวของมหาสติปฐานสูตรเนี่ยนะจากในพระ ส, สูตรนะก็เล่าว่าพระธองค์เนี่ยได้เสด็จไปที่กุรุนิคมนในหมู่ชาวกุรุนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ทางตอนเหนือของอินเดียนะนะน่าจะเป็นกรุงนิวเดลีนะแล้วก็มีหลักฐานนี่อยู่นะมีหลักฐานว่าได้มี าการกล่าวถึงพระสูตรนี้นะส่วนใหญ่เราจะรู้แต่สังเวชนียสถานสี่แห่งนะแต่ว่าที่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักเท่าไหร่นะตามในพระสูตรเนี่ยได้เล่าไว้ว่าออหมู่ชนชาวกูรุเนี่ยนะเป็นคนที่มีปัญญานะเรียกว่าเป็นปัญญาชนนะทั้งหมู่บ้านเนี่ยแล้วเขามีชีวิตอยู่เนี่ย โดยให้ความสำคัญกับการาทำความรู้สึกตัวหรือว่ามีสตินะเวลาเขาเจอกันเนี่ยเขาไม่ได้ถามกันนะว่ากินอะไรอยู่ที่ไหนเขาถามว่าตอนเนี้ยเธอรู้สึกตัวไหมนะเธอเจริญสติไหมนะแล้วก็เจริญสติในหมวดไหนนะหมวดกายหมวดเวทนาหมวดจิตหรือหมวดธรรมนะถ้าถามคำถามนี้ นะแล้วคนโดนถามเนี่ยตอบไม่ได้เนี่ยเขาจัดตำหนิเลยนะว่าเนี่ยนะเธอเธอจะต้องไปศึกษาเธอจะต้องไปทำนะถ้าถ้าเธอไม่ทำนี่ก็ถือวาอ่าเสียโอกาสนะในการที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะแต่ถ้าใครตอบว่าเออเรากำลังพิจารณาหมวดกายอยู่เราพิจารณาหมวดเวทนาอยู่นะก็จ ะ, จะอนุโมทนาสาธุนะ การเกิดขึ้นของพระพุทธองค์เนี่ยนะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยนะได้สามารถออกจากความทุกข์ไดนะ้เป็นแสงสว่างให้กับโลกนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็ น, ป น, ปนคล้ายๆเป็นวัฒนธรรมนะเป็นชุมชนนะของการที่จะส่งเสริมนะให้กลับมารู้เนื้อรู้ตัวให้มาเจริญสติอย่าว่าแต่คนเลยนะเขาบอกมีสัตว์นะ นกแขกเต้าเนี่ย <c oughs> นกแขกเต้านี่มันพูดไดเ้เป็นสัตว์เลี้ยงของภิกษุณีรูปหนึ่งมีครั้งหนึ่งเนี่ย น, นกแขกเต้านี่ภิกษุณีก็ไม่ได้ขังในกงนะเขาก็ปล่อยให้มันบินเล่นอยู่บริเวณในป่าที่ภิกษุณีอยู่ก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าพญาเหี่ยวมาจับนกแขกเต้าไป น, ะนกแกเต้านี่ก็เคยได้ฟังเจริญสตนะิได้ฟังเรื่องมาสติปฐานสูตรเนี่ยนะก็ได้เรียนรู้นะอันนี้ตามตามพูตรเล่านะจริงเท็จยังไงเราก็ไม่ทราบนะขณะที่โดนจับไปเนี่ย น, ะนกแกกเต้าก็ไม่ได้ตกใจนะนะก็เพียงแต่คิดอยู่ในใจหรนะือพิจารณาอยู่ว่าออกระดูกมันจะพากระดูกไปไหนน้อเนี่ยนะ กระดูกมันจะพากระดูกไปไหนนไม่ได้ตกอกตกใจว่าเขาจะเอาไปไหนเลยนะถ้าเราจะต้องตายเราก็ไม่เสียดายนะเพราะเราได้เรียนรู้นะสติปัฏฐานแล้วนะเรียกว่าเราปล่อยวางได้นะนกเหยี่วได้ยินอย่างนั้นนะก็คิดว่าโอ้ปกติเนี่ยเราจับสัตว์มาเนี่ยมันจะต้องกลัวนะมันจะต้องโวยวายมันจะต้องขอชีวิตนะแต่นกแกะเต้าตัวนี้นะ ไม่ได้โยวยวายเลยนิ่งเฉยเลยนะก็แปลกใจนะก็ถามนะนกแกกเต้าก็บอกเราไม่กลัวหรอกนะเพราะว่าเราได้เจริญสติแล้วแม้ตายนะเราก็ไม่เสียดายนะปะยาเยียวก็เลยอะไม่เอาชีวิตละปล่อยนกแกกเต้ามานะนกแกกเต่าก็กลับมาที่ อ, อ, อารามของภิกษุณีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะเป็นเรื่องเล่าในพระสูตร ที่นี้สาระสาคัญที่เราน่าจะได้นํามาพิจารณาก็คือสิ่งที่เราได้สาธยายมลไปเมื่อสักครู่นี้แหละนาะเจนว่ามหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยพุทธองค์ได้พูดไปเลยชัดเจนนะว่าเป็นทางสายเอกเป็นทางเดียวนาะที่จะหลุดพ้นนาะจากความทุกข์ความโศกนาะความร่ําไรราพันนาะซึ่งเป็นทางที่เอ่อสามารถที่จะเดินไปได้ นะไม่ใช่เป็นเรื่องเหลือวิสัยแล้วสิ่งที่พุทธองค์ได้กล่าวไว้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราสามารถจะกระทำได้นะเป็นสิ่งที่ไม่ยากเกินไปนะในหมวดสติปัฏฐานสูตรในมาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยนะมันมีอยู่4หมวดนะคำว่าสติปัฏฐานก็คือเอาสติเนี่ยนะไปอยู่ในฐานต่างต่างนะตั้งแต่กายนะ กายก็คือร่างกายนะแล้วก็เวทนานะเวทนาก็คือความรู้สึกนะหรือ feeling นั่นเองนะแล้วก็หมวดจิตนะจิตจิตเนี่ยบางทีเราไม่สามารถที่จะไปเห็นมันได้ชัดนะแต่มันมีอาการของจิตคือความคิดนะเป็นฐานอีกฐานหนึ่งแล้วนกะ็หมวดธรรมหมวดธรรมก็คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะภายในกายภายในใจของเรานะจะเป็น สิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะเรียกว่ากุศลธรรมนะหรือว่าสิ่งที่ไม่ไมดีไม่งามนะที่เรียกว่าอกุศลธรรมนะอย่างเช่นนิวรณ์นิวรณธรรมความง่วงเหงาเมานอนนะหรือว่าการที่เราตากระทบรูปนะแล้วเรามีภาพเกิดขึ้นนะเรียกว่าอายตนะนะอันนี้ก็เป็น สิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันทีนี้ใน <c oughs> ในสาธยายมนเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีนะในการเจริญสติเนี่ยในหมดกายนะก็พิจารณากายในกายอยู่เป็นประจำคำว่าอยู่เป็นประจำนี่คือทำให้มันต่อเนื่องนะทีนี้เมื่อพิจารณากายในกายอยู่เป็นประจำนะอาตาปีสัมปชานโนสติมา นะก็คือให้มีสติมีสัมปชัญญนะถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้คำว่าในโลกก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในใจเรานะนะั่นแหละที่เราไปกระทบกับโลกเราไปเห็นภาพนะที่สวยงามก็เกิดความพอใจนะไปเจอภาพที่ไม่สวยงามเราก็ไม่พอใจนะความพอใจไม่พอใจเนี่ยทำให้ใจไม่ปกติ ทีนี้การถอนความพอใจและความไม่พอใจก็คือการที่กลับมารู้สึกตัวทุกครั้งที่เรากลับมารู้สึกตัวนะ่มันถอนออกแล้วเราไม่ต้องไปคิดที่จะถอนนะนะเพียงแค่กลับมารู้สึกตัวเนี่ยนะพอเราเห็นภาพที่สวยอ่าเราเอยพอใจแล้วอ่าเรารู้ทันนะรู้ทันเดี๋ยวความพอใจมันก็หายไปนะหรือว่าเห็นภาพที่ไม่สวยขึ้นมาไม่งามขึ้นมา ไม่พอใจขึ้นมาอ่ะเรารู้ทันหรือแม้แต่เสียงนะ่ะที่มากระทบกับหูนะใครมาสรรเสริญเยินยอเรานะถ้าเราไม่มีสติเราไม่รู้ทันนะเราก็รู้สึกอพอใจหยาดยินดีนะหลงละเลยนะ่ะไปกับคําสรรเสริญเย็นยอนะทีนี้ถ้าใครมานินทาว่า้ายมาด่าว่าเรา ถ้าสติเราไม่ทันเราไม่รู้ทันเนี่ยมันก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาเพราะฉะนั้น <c oughs> การเจริญสติเนี่ยเราดูตรงเนี้ยเราทำตรงเนี้ยทีนี้ <c oughs> นอกจากในหมวดของกายของเวทนาเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์นั่นเองนะกายมันมีทั้งอาการของกายด้วยนะความปวดความเมื่อย นะความร้อนความหนาวความหิวความกระหายนะความเจ็บความปวดอะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้เป็นหมวดกายนะที่มันจะมาแสดงให้เราดูนะเรามีหน้าที่ดูนะถ้าเราไม่ดูเราก็จะเข้าไปเป็นนะเราจะหลงเข้าไปเช่นเราปวดเราเมื่อยเราหิวนะมันมีเราเข้าไปเกี่ยวข้องหมดเลยจริงๆมันเป็นอาการของกายนะที่มันจะแสดงออกมา ซึ่งการแสดงออกมาเนี่ยเพื่อความอยู่รอดอย่างเช่นเราหิวเนี่ยนะเราก็ต้องกินใช่ไหมเรากะหายเราก็ต้องดื่มร่างกายมันส่งสัญญาณมาบอกนะว่าเออเนี่ยนะได้เวลาจะต้องกินแล้วจะต้องดื่มแล้วถ้าเราหนาวเราเย็นนะเราก็หาผ้ามาปกคลุมให้มันอบอุ่นนะหรือบางทีมันไม่มีเราก็ต้องอดทนเอานะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ร่างกายก็ส่งสัญญาณมา แต่ถ้าเราเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยนะเราก็จะงุดงิดเราจะมีปฏิกิริยาเช่นหิวเนี่ยนะบางคนโมโหหิวเลยใช่ไหมเราเคยได้ยินอะไรนะกล่องข้าวน้อยข้าแม่อะไรเงี้ยหิวแล้วก็แม่เอาข้าวมาใส่กระติบหรือใส่กล่องข้าวไม่มากเลยคิดว่ากินไม่อิ่มแต่ที่ไหนได้โอ้โหกินลนะอิ่มเลยแต่ไปข้าแม่ตัวเองซะแล้วนะอันนี้ก็คือไม่รู้เท่าทันนะ ในความหิวความกระหายนะ่ะทำให้เราพอใจไม่พอใจเพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยนะเป็นสิ่งที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นะนี้เป็นในหมวดของกายนะในหมวดของเวทนานะเวทนาคือความเอ่อการสวยอารมณ์นะอารมณ์พอใจไม่พอใจสุขทุกข์นะหรือว่าไม่สุขไม่ทุกข์นะ อันนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้ น, นาจากร่างกายบ้างจากใจที่มันคิดนึกนไปในเรื่องราวต่างๆจะเป็นเรื่องราวในอดีตก็ดีหรือวิตุกังวลไปนานาคตก็ดีนะแล้วเราเกิดความสุขเกิดความทุกข์นะสุขก็คือรู้สึกสบาย ป, ปลอดโปร่งโลง่งนะทุกข์ก็คือหนักอกหนักใจนะตรงนี้ถ้าเราไม่รู้เท่าตัานเนี่ยเราก็ไปยึดนะ เป็นตัวเป็นตนนะว่าเราทุกข์เราสุขเราโศกเราเศร้านะเราเหงาเราว้าเวเานะเราเดียวดายนะตรงนี้เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยเราก็จะหลงไปในอารมณ์เหล่านี้หนะลงไปในความรู้สึกเหล่านี้นะเรียกว่ามีตัวมีตนเข้าไปในนั้นแต่เมื่อใดก็ตามที่เรามีความรู้สึกตั ว, ต ว, ตวนะเราก็จะถอนออกมาการถอนมันก็จะมีแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้น นะให้เราเห็นนะแล้วมันก็ดับไปนะเรียกว่ามีความเกิดแล้วก็มีความเสื่อมนะที่ตะกี้นี้ที่เราได้สาธยายมน์นะมีความเกิดขึ้นนะในกายบ้างมีความดับมีความเสื่อมไปในกายบ้างนะหรือแม้แต่เวทนาก็เหมือนกันนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ย <c oughs> เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะจากสิ่งที่มีอยู่ในตัวเรานั่นแหละ ธรรมะเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวเลยนะเรื่องใกล้ๆตัวนี่แหละจากกายาก็ไปสู่เวทน า, นาของละเอียดขึ้นไปนไปสู่หมวดจิต <c oughs> หมวดจิตเนี่ยก็คืออาการของจิตที่เราจะดูก็คือความคิดถ้าเราเจริญสติอย่างต่อเนื่องนในหมดกายเนี่ยมันจะทําให้สติเนี่ยหรือความรู้สึกตัวเนี่ยมันมีความฉ <c oughs> ับไวขึ้น นะแล้วก็ละเอียดอ่อนขึ้นนะมันจะไปเห็นความคิดนะความคิดเนี่ยมันก็มีทั้งที่ตั้งใจคิดและก็ไม่ได้ตั้งใจคิดนะคิดในเรื่องราวต่างๆนะคนเราเวลาคิดเนี่ย <c oughs> มันก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมานะอย่างื่อทีเราคิดถึงเรื่องเก่าๆนะในอดีตนะที่มีความสุขนะเราก็จะสามารถที่จะ ได้เรียกว่าสวยกลุ่มของความสุขขึ้นมาอีกหรือไปคิดถึงเรื่องความทุกขนะ์ความโศกความเศร้า <c oughs> ก็โศกเศร้าได้อีก ท, ทั้งที่สิ่งเหล่านี้มั น, มนผ่านไปแล้วนะแต่เรามาปรุงขึ้นมาใหม่นะตรงนี้เรียกว่ามันมีตัวเราเข้าไปในความคิดนั้นะเรียกว่ามีตัวมีตนแต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวรู้เท่าตันอ่าความคิดใหม่อีกแล้วนะเราก็ไม่ไปตอแยกับมัน ให้มันผ่านไปนะไม่ต้องไปต่อเรื่องให้มันยืดมันยาวนะตรงนี้ก็จะทำให้เราสามารถถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นะนี่ก็เป็นหมวดของจิตหมวดเวทนาหมวดธรรมนะหมวดสุดท้ายา <c oughs> ธรรมเนี่ยธรรมธรรมเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เกิดขึ้นกับกายกับใจหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆนะในหมวดนี้เนี่ย <c oughs> เราเจนได้ชัดเจนเลยว่าโอ้โหมันมีหลากหลายนะทั้งที่เกิดขึ้นจากการนึกคิดก็ดีจากการที่เราไปสัมผัสกับโลกนะสัมผัสกับรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสนะหรือแม้แต่ใจที่คิดนึกนะมันจะมีปฏิกิริยาโต้อตอบแสดงออกมานะเห็นภาพ ส, ยสวยๆนะก็รู้สึกพอใจเห็นภาพที่ไม่สวยก็ไม่พอใจ นะหรือว่าได้ยินเสียงเพราะเพราะนะเราก็รู้สึกเพลิดเพลินมีความสุขนะได้ยินเสียงที่ไม่ไม่ไม่ถูกขูนะคนก็มาว่าเอาบ้างเสียงดังบ้างนะโดยเฉพาะยังยิ่งบางทีเราอยู่ที่วัดเนี่ยนะมันเป็นที่สงบนะบางทีมีเสียงอะไรโทรศัพท์ใช่ไหมดังขึ้นมาหรือมีเสียงไก่ตะโกนโวกเวกขึ้นมาหรือแม้แต่เสียงหาหมาเหา่านะบางทีเราก็รู้สึกหงุดหงิดขึ้นมา ท, าทันทีเนี่ยตรงเนี้ย <c oughs> เป็นสิ่งที่เราจะต้องสังเกตนะเล็กๆน้อยๆนยนะเพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยจุดสำคัญก็คือทำให้มันต่อเนื่องนะเรียกว่าพิจารณานะอย่างต่อเนื่องคำว่าพิจารณาไม่ได้คิดเอานะพิจารณาเนี่ยก็คือรู้สึกตัวรู้สึกตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะทั้งในส่วนของกายในส่วนของเวทนาในส่วนของจิตในส่วนของธรรมนะ แต่ใหม่ๆเนี่ย <c oughs> ให้ระลึกรู้ที่กายก่อนนะถ้ากายมันชัดเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปรู้เวทนาจิตธรรมอีกทีหนึ่งแต่บางคนอาจจะมีความสามารถนะอาจจะไปดูจิตเห็นจิตได้เลยก็มีเหมือนกันนะแต่ถ้าเรายังไม่ชำนาญอย่าพิ่งไปยุ่งกับมันมาก <c oughs> ความคิดเนี่ยนะเพราะว่าถ้ากำลังของสติเราไม่ไม่ไม่ฉับไวพอนะไม่เข้มแข็งพอเนี่ย แนะบางทีเราไปดูความคิดดูจิตมันจะลื่นไหลลงไปจมไปในคความคิดนะคิดไปไม่จบไม่สิน้นะแต่ถ้าใครสามารถที่จะมีกำลังสติมีกำลังสมาธิเพียงพอนะก็จะดูจิตได้ทีนี้การดูตรงนี้เนี่ยนะดูอะไรดูเห็นมันมีการเกิดขึ้นมีความเสื่อมไปนะพูดง่ายๆก็คือเห็นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง นะซึ่งลักษณะนี้มันไม่สามารถบังคับบัญชาได้นะก็เรียกว่าเห็นไตลักษ์นั่นเองอันนี้ก็เป็นการเห็นธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเห็นธรรมในหมดของไตลักษนะ์จริงๆเรื่องภาษาก็ดีเรื่องตัวหนังสือก็ดีมันเยอะแยะมากแต่เวลาเราปฏิบัติเนี่ยนะมันแสดงออกมาให้เราเห็นนะบางทีมันก็มากันแบบรวมรวมนะถ้าสติเรายังไม่ชัดมันก็มารวมรวมแต่ถ้าสติหรือปัญญามันชัดมันก็จะแยกแยะได้เอง นะซึ่งเรื่องนี้มันจะต้องเป็นไปเองนะเราจะไปใยกความคิดเอาไม่ได้ทีนี้ <c oughs> นอกจากอันนี้เป็นภาพกว้างเนาะทีนี้ก็หดเจาะลงไปตรงที่หมวดกายนะกายานุปัสนาสติปทานนะการมีสติลงไปในหมวดกายนะจริงจริงในหมวดกายเนี่ยนะอไ น, นพสูตรเนี่ยพูดไว้เยอะเลยนะอาณาปนาสติบับพะนะใช้ลมหายใจนะ อริยบทบัพภะนะที่เราสวดกันตะ ก, กี้เนี่ยคำว่าบัพภะคือใกล้ๆรูปแบบะนะเน่นะคว่าบัพภะเนี่ยอริยบทยืนเดินนั่งนอนก็ให้รู้รู้ชัดว่าเรานั่งอยู่รู้ชัดว่าเราเดินอยู่รู้ชัดว่าเรายืนอยู่รู้ชัดว่าเรานอนอยู่นะอันนี้คือหมวดของอิริยบทนะแล้วก็มีบทสัมปชัญญะบัพภะนะละเอียดลงไปอีก นะยังมีหมวดปฏิกูลหมวดธาตุนะมีต้องเจแบบหมวดแต่ที่เราเอามาศึกษามาฝึกปฏิบัติกันที่วัดป่าสุกโ ต, โตก็มีสองหมวดนี่แหละนะอริยบทกับสัมปชัญญะบัพพะในหมวดอริยบทเนี่ยก็คือว่าให้เรามีสตินะในอริยบททั้ง4ยืนเดินนั่งนอนเมื่อเราเดินอยู่ก็รู้ว่าเราเดินอยู่ นะเมื่อนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่เมื่อ น, อนอนก็รู้ว่านอนซึ่งเราดูแล้วเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะการฝึกเจริญสติเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนเลยนะอาศัยริยบทที่มีครั้งหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งนะได้ไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าในแต่ละวันเนี่ย <c oughs> ท่านทำอะไรบ้างพรนะพุทธเจ้าก็บอกอ๋อเราก็เดินบ้าง นั่งบ้างยืนบ้างนอนบ้างพรามก็บอกเอ๊ะไม่เห็นแตกต่างไปจากคนอื่นเลยก็เป็นธรรมดานะคนส่วนใหญ่ก็ก็ยืนเดินนั่งนอนท่านก็ยืนเดินนั่งนอนไม่เห็นแตกต่างเลยแล้วทำไมคนก็ยกย่องว่าท่านเป็นพุทธะนะท่านก็บอกว่าอ๋อ <c oughs> จริงจริงเราเดินเราก็รู้ว่าเดินนะเรานั่งเราก็รู้ว่านั่ง เรานอนเราก็รู้ว่านอนเรายืนเราก็รู้ว่ายืนแต่คนที่ไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเดินไปก็คิดไปไม่รู้ว่าเดินพูดง่ายๆคือใจลอยบางทีนั่งขณะนั่งฟังอยู่ตอนเนี้ยอาจจะใจลอยนะคิดถึงที่นอนนะคิดถึงความอบอุ่นของผ้าห่มก็ได้นะใจไม่ได้อยู่ตรงนี้นะเรียกพูดง่ายๆคือกายอยู่นี่แต่ใจอยู่ไหนก็ไม่รู้ นะอันเนี้ยเพราะนั้นท่านบอกว่าแม้แต่เดินเราก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งพูดง่ายๆใจเนี่ยมันอยู่กับเนื้อกับตัวนะตรงเนี้ยเป็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะไม่ใช่เป็นเรื่องที่พิเศษอะไรนะแต่ก็มีบางคนบางท่านอย่างท่านติสทัตฮันเนี่ยถ้าใครเคยอ่านหนังสือของท่านเป็นพระชาวเวียดนามเนี่ย อันบอกแม้แต่การเดินบนโลกเนี่ยก็ถือว่าเป็นปฏิหารอย่างหนึ่งนะไม่ใช่ไปปฏิหารไปเหาะเหินเดินอากาศอะไรนะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ เ, เราอาจจะหลงลืมกันไปนะเรามัวไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เวลาเราเดินเราก็ไม่รู้ว่าเราเดินใจมันลอยเวลาเรานั่งเราก็ไม่รู้ว่าตัวเรานั่งอยู่นะพูดง่ายๆกลกายกับใจมันมันอยู่คนละทิศคนละทางนะมันไปคนละทิศคนละทาง นะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นหมวดอริบทนะอริบท4นะซึ่งเราก็สามารถที่จะนำมาปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันทีนี้อีกหมวดหนึ่งคือหมวดสัมปัชญะบพะนะคำว่าสัมปัชญะก็คือการรู้ตัวนะการรู้ตัวการระลึกรู้นะการรู้ตัวทั่วพร้อมในหมวดนี้เนี่ยตะกี้นี่เราสวดเราจะสังเกตได้เลยนะโอ้โหมันละเอียดลงไปอ มันไม่ใช่เฉพาะยืนเดินนั่งนอนนะแม้แต่คู่เหยียดเคลื่อนไหวนะอย่างที่เรายกมือเนี่ยนะคู่เหยียดเคลื่อนไหวนะก้อยมีสติเข้าไปรู้นะรู้การคู่การเหยียดการเคลื่อนการไหวการกินการดื่มการลิ้มนะกินเราก็รู้นะบางคนกินไปคิดไปกินไปคุยไปนะเออนี่ไม่รู้ตัวแล้ว นะจริงๆในวินัยของพระก็มีนะในขณะที่อาหารอยู่ในปากเนี่ยเราจะไม่พูดจริงๆวินัยของพระเนี่ยนะก็ส่งเสริมเรื่องการเจริญสติให้เรากลับมารู้เนื้อรู้ตัวนะบางคนอาจจะรู้สึกอึดอัดนะรู้สึกไม่ทำตามกิเลสเลยหรือว่าทำตามใจเลยก็อาจจะอึดอัดนิดหนึ่งการกินการดื่มยังกินเนี่ยเราเคี้ยวข้าวให้ละเอียดนะสังเกต นะบางทีเรากินกินรีบรีบกินรีบเคี้ยวไม่ละเอียดนะฮะอันนี้เรียกว่าไม่มีสติกินไปคุยไปกินไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้โดยเฉพาะคนทําการทํางานเนะี่ยบางทีใจไม่อยู่กับการกินนะไปห่วงงานอยู่นะเดี๋ยวจะต้องไปทําอันนั้นเดี๋ยวจะต้องไปทําอันนี้แต่เราไม่อยู่วัดป่าสุก โ, โตเราได้ฝึกใช่ไหมฝึกกินมีใจอยู่กับการกินการเคี้ยวลิ้มรส อาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มรู้นะคนมีสติไม่ยากินแล้วไม่รู้ว่ารสอะไรนะก็รู้แล้วรู้รสละเอียดด้วยแม้แต่ข้าวปเปล่าเนี่ยบางทีเราก็รู้รสมันนะมีหวานน้อยๆนะตรงเนี้ยนะกินดื่มนะลิ้มนะอันเนี้ยก็เป็นเรื่องของการที่เราสามารถที่จะสอดแทรกเข้าไปในกิจวัตรในสิ่งที่เราทําอยู่การสง่า การทรงผ้าสังาติทรงบาจีวรจริงๆก็ทัดเทียบกับญาติโยมก็คือการสวมใส่นะนะก็ไม่มีสตินะบางทีบางคนเนี่ย <c oughs> รีบนะจะไปทํางานบางทีก็ใส่เสื้อกับตะเข็บบ้างอะไรบ้างนะอันนี้บางทีก็หลงลืมไปนะเรียกว่าไม่มีสตินะหรือแม้แต่การอุจจาระปัสสาวะโอนี่ละเอียดก็ไปอีก ปกติเราสังเกตไหมเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยนะเราจะรีบโอ้โหนะจะรีบทายออกบางทีเบ่งนะเออบางทีไม่ปล่อยให้มันไหลออกมาตามปกติตรงนี้บางคนอายุมากๆก็จะเป็นลิสิดวงอะ่ะนะท้องผูกนะเบ่งนะเสียงดังมากเลยนะเดี๋ยวนี้ผู้มีสตินะสังเกตนะก็จะขับถ่ายด้วยความรู้สึกตัวนะปล่อยให้มันไหลออกมาตามธรรมชาติ นะไม่ต้องไปเบ่งไปเกรงไปเคร่งเครียดกับมันนะมีสติอยู่ส่วนใหญ่คนอยู่ในห้องห้องน้ำเนี่ยถ้าเป็นคนทำงานเนี่ยรมาก็เคยเป็นนะนั่งคิดโครงการจะทำไอ้นั่นไอ้นี่นะใจมันไปอยู่กับเรื่องราวต่างๆนะ่มันไม่อยู่กับสิ่งที่เราทำอยู่เฉพาะหน้านะอันนี้เพระาะฉะนั้นพุทธองค์เนี่ยละเอียดอ่อนมากนะเราสามารถที่จะเจริญสตินะแม่กากับถ่ายนะอุจรัปสวะ ครั้งหนึ่งอาต ม, มาได้มีโอกาสไปที่เชียงใหม่นะก็มีญาติโยมก็ไปปฏิบัตินะเขาบอกเขารู้จักความรู้สึกตัวเนี่ยตอนขับถ่ายว่าโอ้ตอนที่อุจาระมันถ่ายออกมานะ่เออความรู้สึกตัวมันชัดตรงนั้นนะ่ะเออนะมันเป็นไปได้เหมือนกันนะเอ อ, อ น, นี่ก็แปลกเหมือนกันไม่เคยได้ยินนะส่วนใหญ่เรารู้สึกตัวตอนเราเดินบ้างตอนเรานั่งบ้างหรือตอนบางทีเราทำทากิจวัตรต่างๆบ้างนะอันนี้ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการเจริญสติเนี่ยมันไม่ได้มาจำกัดแค่ในรูปแบบนะมันไม่ได้ว่ามานั่งยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมเท่านั้นแต่ว่าเราต้องใส่ใจน้าที่จะมีสติอยู่ในสิ่งที่ทำอยู่เฉพาะหน้าการแปลงฟันเนี่ยเออเราก็สามารถจะฝึกได้นะมีสติอยู่กับการแปลงฟันขณะที่แปลงฟันเราคิดโน่นคิดนี่อ่ะต่อไปนี้เรากลับมารู้เนะื้อรู้ตัวนะอันเนี้ย เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะฝึกได้เพราะฉะนั้นจากภสูตรเนี่ยเราแปลงมาเป็นการปฏิบัตินะทำอย่างไรที่จะให้การเจริญสติของเรามีความต่อเนื่องแต่อย่างว่านะสำหรับคนใหม่เนี่ยเราต้องอาศัยรูปแบบนะรูปแบบที่จะเจริญสตินะโดยเฉพาะที่มาในกลุ่มนะเราก็พยายามที่จะจัดสภาพแวดลอ้อมให้มีโอกาสเจริญสติอย่างต่อเนื่องในรูปแบบนะส่วนผู้ที่ไม่ได้มาเข้ากลุ่มเข้าคอร์เนี่ย เราก็สามารถที่จะปฏิบัติได้เราได้ยินได้ฟังเราเอาไปทำนะเราจะไปจํากัดอยู่เพียงแค่ว่ามาเดินจงกรมมาสร้างจังหวะเท่านั้นนะแม้แต่ในกิจวัตรประจาวันการทำครัวแม่ครัวเนี่ยเขาก็มีสติในการทำครัวนะในการหั่นผักในการหั่นหมูหั่นเนื้ออะไรต่างๆเหล่านีนะ้ก็ให้มีสติตรงนี้นะทีนี้รูรั่วของสติ ของการฝึกสติคือการพูดคุยนะตรงนี้ต้องระ ม, มัดระวังนะโดยเฉพาะในกลุ่มก็พยายามที่จะงดสิ่งเหล่านี้การติดต่อสื่อสารถ้าไม่จำเป็นนะเราก็จะไม่ติดต่อสื่อสารนะตรงนั้นมันจะทาให้เกิดรูรั่วอย่างบางทีเราตั้งใจปฏิบัติ ด, ดีในรูปแบบนะพอหมดเวลาล้วก็ไปพูดคุยสวนเสฮ่าสันทนาการเอกเกรเฮฮ า, านะตรงนั้นเนี่ย <c oughs> เรียกว่าความรู้สึกตัวที่ทำมามันหายไปหมดเลยนะเพราะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งให้มีสติอย่างต่อเนื่องตรงนี้ไม่ได้หมายว่าจะไม่คุยไม่พูดกันเลยนะก็พูดเท่าที่จำเป็นนะไม่พูดเพ้อเจ้อไม่คุยเรื่องที่มันไม่เป็นสาระนะคุยกันเรื่องที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ที่จะให้เรากลับมารู้เนื้อรู้ตัวหรือคุยกันในเรื่องงานการของที่เรามีส่วนรับผิดชอบอันนี้ก็จาเป็น นะแต่จะไปตั้งวงคุยกั น, นทั้งวันเลยเนี่ยนะมันก็จะทำให้เสียเวลาแล้วละ่นะที่มาอยู่วัดป่าสุกโตเพระาะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะก็มีคำรับรองคำยืนยันนะพุตธองค์ก็ได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดเจริญสติอย่างต่อเนื่องนะอย่างลูกโซ่เป็นลูกโซ่เนี่ยอย่างนานเจ็ดปนะีอย่างกลางนี่เจ็ดเดือน ยังเร็วที่สุดตั้งแต่หนึ่งวันถึง7วันนะเรียกว่าจะเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นพระอนาคามีอันนี้ตามในพระสูตรว่าแต่ว่าเราไม่ต้องไปไปถึงขนาดนั้นนะ น, นะเอาว่าความทุกข์ในอกในใจมันเบาลงหลวงป่อเตียนนั้นมีประสบะการณ์นะท่านก็เคยสมัยที่ท่านมีชีวิตท่านเคยท้าทายว่าผู้ใดเจริญสติปัญญายอย่างเออเจริญสตินะอย่างต่อเนื่องเนี่ยอย่างนานสามปี อย่างเร็วหนึ่งปี อ, อย่างกลางนะหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดหนึ่งวันถึง9ก้าสิบวันนะเป็นสิ่งที่ท่านได้เคยท้าทายเราได้มาฝึกมันก็น่าทดลองเหมือนกันนะเราจะเจริญสติให้มันต่อเนื่องนะเหมือนลูกโซนะ่ทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบมาพิสูจนะ์สิ่งที่พระเจองค์ได้กล่าวไวก้ก็ดีครูบาอาจารย์ในรุ่นหลังๆพูดไวกด้ก็ดีนะมันเป็นจริงไหม แล้วมันก็มีระยะเวลาด้วยไม่ใช่ว่าทำไปเรื่อยๆนะตรงนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายที่เราน่าจะมาพิสูจน์กันฉะนั้นการมาใช้ชีวิตที่วัดป่าสุก โ, โตเนี่ยให้เป็นชีวิตแห่งความรู้สึกตัวเป็นความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องนะแต่ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะบางทีเราไปต่อเนื่องเราจริงเอาจังมากเออเ่องเขียดเกินไปนะเอาพอเหมาะพอดีนะไม่ไม่ไม่เพ่งไม่เผลอ นะเอาพอดีพดีนะ่ะทำไปเรื่อยๆนะ่ะบางทีเครียดมากๆก็ผ่อนอหน่อยนะถ้ามันเผลอก็ตึงๆนะตึงเพื่อย่อนย่อนเพื่อตึงนะไม่มีพักไม่มีเพียรทำมันเรื่อยไปนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้นะเอาละในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงเงีคุณของพระศีรัตนตรยัยนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเรานั่นเองพระธรรมคือเศรธรรมความจริงที่แสดงปรากฏนะแก่กายใจของเรานะโดยมีจิตใจมีสติเข้าไปรับรู้นะแล้วก็พระสงค์ก็คือการประพฤติปฏิบัตินะด้วยความศรัทธาด้วยความเพียรพยายามนะด้วยสตินะด้วยสมาธิและปัญญานะก็ขอให้อ่าสิ่งที่เราได้อุทิศ ได้ทุ่มเทลงไปได้ประสบผลสำเร็จตามสมควรแก่ธรรมก็คือการที่ออกจากความทุกข์ได้พราะกับความสุขเกษมสารในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร